สงเคราะห์สัตว์ความเมตตาสงสารต่อสรพสัตว์ทั้งหลายนี้หลวงตาเคยให้เหตุผลว่าชาติชั้นวรณะไม่มีลงในคำเดียวว่าสัพเพศส ต, ตา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 ด้วยอำนาจของชาติชั้นวั น, นะยศถาบรรดาศักอะไรเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของกรรมกรรมเป็นพื้นฐานให้เกิดนอกนั้นก็แตกเป็นขแขนงออกไปสุดจริตบ้างทุจริตบ้างแล้วแต่จะเกิดนั่นเป็นเรื่องนอกต่างหากหลักของกรรมเป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้น ท่านจึงไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานท่านก็ไม่ให้ดูถูกเขาเวลานี้เขาสวยก ร, รมอยู่ในวาระของก ร, รมของเขาอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปเลยท่านจึงไม่ให้ประมาทมันเป็นวาระวาระเวลาพ้นแล้วเขาสูงกว่าเราก็ได้ก็เหมือนอย่างคนลงมาจากน้ําจากหลุมจากบอ่อ ขึ้นภูเขาที่แรกก็อยู่ใต้ก้นบ่อพอขึ้นมาแล้วเขาขึ้นภูเขาสูงกว่าเราอีกกำไม่แน่นอนแล้วแต่ใครสร้างของใครเอาไว้ เ, เขาก็รักสุขเกลียดทุกข์มีหิวมีอิ่มมีเจ็บป่วยมีราคะตัณหามีจิตวิญญาณเช่นเดียวกับมนุษย์เรา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 ปากเกร็ดหมาตั้งสามสี่ร้อยตัวเขาออกทางหนังสือพิมพ์เราเห็นในหนังสือพิมพ์ก็ตามไปดูไปดูโอ้โหมีแต่หมาพิการโยเยโยเยไปดูสภาพของมันแล้วเป็นยังไงถามสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าของที่เลี้ยงหมาถามทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงค่าน้ำค่าไฟ ค่าบริการต่างๆรอบด้านเกี่ยวกับหมานี้เดือนหนึ่งหมดเท่าไหร่เขาว่าถ้าธรรมดาแล้วก็เดือนละแสนแต่นี้มันไม่มีเงินแสนสิที่จะเลี้ยงหมาบางวันเครียดเสียจนกระทั่งนอนไม่หลับเป็นยังไงถึงเครียดโอ้ยหมาก็ร้องพอหมาคนก็ทุกข์พอคนหมาร้องหิวโหวยไม่มีอะไรจะให้กิน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 เขาบอกว่าอาศัยรถเพื่อนฝูงได้อยู่ไม่เป็นไรนอกจากนี้ก็ซื้อที่ให้หนึ่งไร่เลยแต่ก่อนเขามีอยู่หนึ่งไร่เราซื้อให้อีกหนึ่งไร่แล้วสร้างปลึกให้อีกหลังหนึ่งสบายทุกวันนี้หมาปากกรดสบาย